กิเลสในใจมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านว่ามานกิเลสที่ท่านตัดว่ามานกิเลสธรรมดากิเลสมันไม่ได้มุ่งให้เราดีวิเศษอะไรมันมีแต่จะมาทักท่านนำให้ พ่อแท่อ่อนแอใน ห, วใหัวใจแล้วก็มักจะอ้างการอ้างเวลาฝนตกก็ว่าฝนตกแ ล, นน แ, ลนนแล้วนั่งภาวนาไม่ได้ก่างทางเข้าแล้ดูหนาวหนาวแล้วนั่งภาวนาไม่ได้คันตกแลดูร้อน เพราะว่าร้อนภาวนาไม่ได้แล้วจะไปภาวนาเวลาไหนและดูมันก็มีอยสามหรือดู <c oughs> และดูร้อนและดูหนาวหรือดูฝนมันก็ลอกอยู่อย่างนี้ อิเลตลาคะโทสะโมหะเมื่อมันยังมีอยู่ในจิตใจของผู้ภาวนาเชื่อว่ามันเป็นตัวมารคอยฆ่าคอยทำลายคนงามความดีอยู่เสมอๆจะทำดีไม่ได้เรียกว่าพิจใจพญามาร เดินจมกลมสองสมโ ง, งก็ผิดใจพยามาลเพราะว่าพยามาลมันไม่ต้องการให้เดินจมกลมพยามาล น, นั้นมีแต่ซุกหัวให้นอนนั่งภาวนาวมันก็แอบมาทางหลังซุกหัวให้เเนานอน ต้องตั้งใจไว้ให้ดีตั้งใจไม่ดีก็เอาละมันมาละมานเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านโซโซนั่งคัดสมาธิภาวนาใต้ลกขมูลล้มไม้ใต้ต้นไมโพ โบรนนาณการเจ้าทางหลายทันแต่งเป็นโลกล่างพญามารขี่ช้างตัวใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยมารเสนามารมีอาวุธครบพัน พอมาถึงที่พระพุทธเจ้านั่งภาวานาก็คำรามไล่พระพุทธเจ้าให้ลุกจากที่นั้นว่าที่นี่ไม่ใช่ของพระองค์เป็นของพญามาร น, นอนพอที่มันมารมันแม่นของเล็กน้อยบะพระพุทธเจ้านั่งภาวา น, า, ว า, นวามันก็ว่าเป็นที่นั่งของมาร แต่พระพุทธเจ้าทำาไม่ไม่วันไหวไม่หลงท่านก็ตอบพยามาณว่าไม่ต้องมาไล่เราล้อเราสละตายแล้วจึงมานั่งที่นี้ทน่านั้นท่านอุทิเทศเลือดเนื้อเชื่อไขให้เป็น เป็นทานนามบาลีเอาชีวิตแลกแล้วจะมาไล่ให้เราลุกหนีจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดจงเหลีกไปเถิดเราไม่เกี่ยวข้องกับมารมารก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรามันละท่านู้เท่าทันท่านไม่ไปหลงกลมารยาของมาร มนันมันก็มีตัวเหมือนกับคนเรานะะกับ ต, ตัวคนเรานั่นแหละเวลามันหลงไปตามกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอภิชฌาตันหาอยู่สิ่งที่เรายึดถือว่าตัวเราของเราตัวนั้นะ่ะมันเป็นมารอยู่ในนั้นแหละครั้งจะภาวนานานหน่อยก็ มันก็มากระชิดที่หูที่ใจละอย่าไปนั่งนานนะหลวงปู่ันว่าให้ภาวนาเราจะไปเอาตามนั่นไม่ได้เอาตามนั่นละมันจะพ้นทุกไปเจียจะไม่ได้มาใช้ให้เวียนว่ายายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปมันกระชิดอยู่ในใจ ถาพดใจใจอ่อนแอทอดแท่ที่เศรวาเหงานอนโถกกันกับพยามานเป็นเสียวกัพยามานคนอยากไปเป็นเสียวกับมานมันจะพาลงมอนนรกเหมือน พ, พระเทวทัตพระเทวทัตตกเวีกยกีก็เพราะว่าไปเชื่อพาัายาม่ะ พระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นองค์มีลัทมีหกรา ก, การดำดินกินบนไปได้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนพระเทวทัตก็ไม่เห็นเพราะว่าพระเทวทัตมันเชื่อกำมานเป็นเสี่ยวกันกับมาน คิดทำลายพระพุท ธ, ธเจ้าจนถึงจะเอาให้ชีวิตแหลกลานทิกลิ่งก่อนเห็นมุ่งหวังที่จะให้ทับพระพุท ธ, ธเจ้าให้แหลกลานใจมารใจไพเทวทัฒน์ไปเชื่อมานผลที่สุด ทำดังไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็พ้นที่สดก็ตกเอเวจีนรกไปไปหมกไหมมุ่นวายอยู่ในหม้อนรกรลอนบน่มีที่ใดเท่ายังมีชีวิตอยู่ยก็ร้อนใจร้อนกาย ร่างกายแตกดับตายไปแล้วก็ไปร้อนอยู่ในใจวุ่นวายอยู่ในจิตในใจไม่มีเวลาไม่มีเวลาสุกกายสบายใจแม่แต่น้อยทำไมแล้วว่าบาปบาปนี้พระพุทธเจ้าของเราสั่งสอนไว้ว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิด คิดในจิตก็ให้คิดภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกคิดภาวนาว่ามะละาังเมภาวิชติเราจะต้องตายยังไม่ถึงร้อยปีจะต้องตายเสีย ก, ก่อนเตือนจิตให้รู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เหมือนอย่างว่าฤดูร้อนเมื่อยาในโลกที่มันขึ้นเขียวอย่างที่ในฤดูฝนตายไปไฟป่าก็ติดขึ้นมาคนชอบจุดไฟไฟก็ลูกลามไม่เป็นหน้าก็ะดานไปถ้ามันไหมในโพเขาถ้ามองไกลๆก็งามเป็นทิวแถวไป แต่ที่เห็นมาันงามนะ่ะมันไม่ถูกต้องความจริงไฟงไงให้ประย์มันก็ไม่เอาไม่ละวัดระวังใช้ไฟไฟก็ไหมกุฏิวิหารไว้ไม่มุ่งไม่จ้องไปหมดละไฟมันไม่ได้เข้าใครออกใครใครประมาณมันก็ไม่เอา คนเราเกิดมาในโลกเหมือนกับว่าไฟป่ามันกําลังไหมมามันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้าผู้ภาวนาพุทธอให้ดีจิตตั้งมัน่นจะมองเห็นในใจนั่นเหมือนกับว่าไฟป่าไม่มาโดยไม่ขาดระยะ ไม่กี่วันเวลามันก็มาถึงตุวที่เราอยู่ได้แต่ถ้าไม่ภาวานาจิตมันหลับไหลมัวเมาไปทางอื่นเดินจมกรมไม่ได้สองชั่วโมงไฟป่ามาทันแล้วก็ไหม้มันไหม่ถึงตัวไหม่ถึงตายก็ได้ เดี๋ยวว่าเล่นไม่ได้ไฟไฟมันมาไม่ตายก็ได้พราเนนแม่ขาวนางเชีไม่ตายก็ได้บางคนคนเท่าบางคนเห็นไฟฟ่ามาจะไปดับไฟดับไฟดับมาก็เกิดเป็นลม เลยล่มตายอยู่หน้าไฟนั้นไฟมันไม่ได้รู้จักว่าคนตายคนเกิดมันก็ไม่มาจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันไฟมันครอบเข้าไปแล้วมันเลยตายทีหลังก็เป็นได้ตายก่อนก็เป็นได้เพราะไฟนั้นมันไม่ได้เลือกชั้นวันละของบุคคล มาณะภัยคือความตายทุกคนต้องมองให้เห็นมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไม่ใช่ว่าเราไกลผ่าไฟไหม้นะมันใกล้เข้ามาเราจะอยู่ที่เก่ามันยิ่งเข้ามาไม่เข้ามาจนคนที่สดก็ไมมตัวตาย พระพุทธเจ้าท่านยังให้นึกอยู่เสมอว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ทุกวันเวลานี้เรานั่งร อ, อความตายนอนร อ, อความตายยืนคอยท่าความตายอยู่ทุกคนเมื่อมาถึงบุคคลโพดายแล้วจะอ้างว่าพ้าพุเจ้ายังเด็กยังนมอยู่ยังไม่ตายไม่ได้ มาถึงเข้าก็าตายไปเลยแล้วแต่นั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกยานได้ประมาธิอันความประมาทมัวเมามันมีมา ก, ก่อนแล้วอิ่แลดความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อเนกชาตนับพบนับชาตไม่ส่วนแล้ว มันก็ยังปิดบังอัมพังอยู่ตลอดเวลาร่างกายสังขารของคนเราคือธาตุดินน้ำไฟลมเป็นของไม่มั่นคงถาวร อ, อะไรแล้วก็เต็มไปด้วยผู้โพโลหิเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ แต่มนันกิแลดมันก็อำพรางไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ไม่ให้ทิ่ลจรนาไม่ให้นึกน้อมไปในทางเช่นนั้นมันก็เลยปิดบังไว้จะเลิกละกิเลดความโกรธความโลภความหลงก็เลิกละไม่ได้เพราะว่ามันปกคลุมไว้อยู่เสมอ นั้นใจอย่าไปขาดสติเนสติหลงเลิมเมื่อใดเวลาใดจิตใจมันก็ตั้งมั่นไม่ได้หลุดลอยไปเรื่อยล่ะพุทโธพุทโธ อ, อยู่ที่ใจพุทโธทำมมสังโฆ อ, อยู่ที่ใจ บนคนเราทำแล้วก็โยที่ใจบาปใครทำแล้วก็มาอยู่ที่ใจมันคอยให้ผลอยู่ผลบนผลบาปที่คนเราทำนะมันแย้งกันให้อยู่เหมือนกลางวันกับกลางคืนกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์หมุนไปไกลมันก็มืด แสงส่องมาไม่ถึงกลางวันก็แสงพระอาทิตย์สองมาถึงเป็นความแจ้งความสว่างบุญบาปที่คนเราทำอยู่ในโลกนี้จะเป็นทางกายกรรมทำด้วยกายวจีกรรมพูดด้วยวาจา มนโนกรรมคิดในจิตในใจก็าตามมันคอยให้ผลอยู่ตลอดเวลาทำบาปมากก็ได้รับทุกมากทำบุญมากก็ได้รับทุขมากผลบุญบาปให้ผลต่างกันบาปให้ผลเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ภาวนามันไม่เห็น มันเกิดไว้บังไว้ฉะนั้นต้องภาวนาต้องเดินจมกลมที่แนะนำให้เดินจมกลมสองชั่วโมงเสียก่อนจึงค่อยว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีกจึงค่อยหลับนอนทีหลัง แต่ผู้ประกอบกระทำนั้นอาจจะไม่ได้บางองค์บางคนเพราะว่าพอท่านเทศจบั่งถอนจบก็มันก็เข้ามาอยู่ในใจแล้วก็วอย่าไปทำเลยเพอไปถึงกุฏิที่อยู่อาศัยก็รีบนอนซยก่อน เสริแล้วจึงค่อยเดินจงกรมภาวนาก็ได้ ม, มันปรงแต่งไปอย่างนั้นดะนั้นจึงตั้งใจให้มันมั่นคงการตั้งจิตตั้งใจทำคนงามความดีในท่านให้ตั้งใจเหมือนแผ่นดิน แผ่นดินนี้เป็นที่รับรองต้นไม้โพเขารับรองมนุษย์รับรองสัตว์ทั้งหลายใครจะเกิดจะตายแผ่นดินก็รับรองอยู่ที่ไหนที่ไหนที่เป็นแผ่นดินก็มีสัตว์ตายมีคนตายโดยเฉพาะคือตัวเราทุกคน เรานั่งที่ไหนก็มักเกิดที่นั่นมักแก่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรทุกอย่างตายในที่นั้นเป็นคนก็มาตายในที่นั้นก็มีแต่เมื่อไม่รู้สึกตัวอย่างไรมันก็เลยอยู่ได้ถ้าพอมารู้สึกตัวแล้วก็เียบเร่งแหละมัน ต้องโดูโยที่จิตที่ใจจิตใจมันเป็นตัวอย่างไรแบบเป็นตัวเหมือนคนมันแหะรูปร่างของคนอย่างไรจิตใจมันก็เหมือนนั้นเขาว่าจิตมันมาใช้ร่าวกายให้ทําบุญให้ทําบา ให้นั่งสมาธิภาวนาให้เลิกล้มนั่งภาวนาชอบนั่งเล่นนั่งคยุยโพดเล่นโพดสนุกเฮหาภาษากิเลสอันนั้นให้ตั้งใจเลิกละความชั่วเสียหายทั้งทางกายทางวาจาทางจิตทางใจเลิกละออกไปให้มันห่างไกล สิ่งใดเราเลิกได้ละได้แล้วให้คอยระวังอยาให้มันไปยินดีพอใจเอามาให้เป็นเรื่องยุ่งยากในจิตใจอีกต่อไปสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันล่วงไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันสิ่งใดซึ่งเป็นอนาคตการสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงอย่าไปวุ่นวายปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้พุทธะอยู่ที่นี้ธัมโมย อ, อยู่ที่นี้สังโฆอยู่ที่นี้พุทธะธรรมะสังฆะอยู่ที่จิตใจนี้ปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัตททิธรรมต่างหลาย เพิ่งโลดแจง้งปัจตังจําเพราะจิตใจของตนในที่นี้กัถตถะกัตถะในที่นี่นี่อดีตอนาคตเอาแน่นอนไม่ได้ปัจจุบันนี่แหละแน่นอนกว่าลมหายใจเข้าไปก็เป็นปัจจุบันลมหายใจออกมาก็เป็นปัจจุบันนึกพุทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออก ก็เป็นปัจจุบันเมื่อปัจจุบันนี้ตั้งมั่นลงไปก็ไม่งอนแง่นคอนแคนฝักหลักโู่ในจิตใจของตัวเองให้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ให้ชั่งเขือลุ่มหลงขาดสติสัมปชัญญะในใจจงตั้งใจอยู่ทุกเวลา ไม่ต้องไปรอท่าเวลานั้นก่อนเวลานี้ก่อนบางคนยังไม่แก่ก็ขอให้แก่ซะก่อนจึงจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังเวลายังเด็กยังน่มโยก็ไม่ตั้งใจปล่อยให้วันคืนเดือนปีหมดไปจนกระทั่งสังขารร่างกายทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ทุกข์ละบัง แล้วก็มักจะเข้าใจว่าความแก่ความชรามันอยู่ข้างหน้านโน้นคือไม่มองให้มันเห็นว่ามันอยู่ที่ตัวที่รูปร่างกายนี่แหละแก่ชราอยู่ทุกเวลาไม่ได้ขาดเจ็บไข้ได้กลัวอยู่ทุกเวลาเยียวยาพยาบาลอยู่ชีวิตจึงเป็นมาได้เป็นเป็นอยู่ มันไม่ได้ห่างไกลความแก่ชรามันเลื่อนไปเหมือนเข็มนาฬิกาแต่เราไม่พาวนาก็ไม่รู้ว่ามันเลื่อนไปมันแก่ไปมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกขณะแล้วก็ส่วนที่ตายไปมันก็ตายไปโดยลำดับลาดับ คนเราที่คลอดจากท้องแม่มากับอว่าตายจากท้องแม่นั่นแหละตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ตายไปอีก <laughs> เลิดมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันก็แกชราไปตามหน้าที่มีความจเจริญขึ้น <laughs> <laughs> เพราะได้ เดิมน้ำนมของแม่ได้กินข น, นมน้ำนมของแม่แล้วก็เจริญไวัยไปโดยลำดับมันเลื่อนที่ไปอยู่ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันกำลังเลื่อนที่มาอยู่ทำผาปล o อง ในลานั่งภาวานามันก็เป็นปองไปบ้านใครบ้านมันพ่อใครพ่อมันแม่ใครแม่มันลูกเก่าล้านเลนไปมันมันคิดไปถึงเขาแต่ว่าเขาไม่ค่อยคิดถึงเราเท่าไรดอกจิตใจเราไม่ภาวานามันก็ห่วงไปอย่างนั้นเองให้ตัดสินใจลงไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกว่า เราตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกแต่มันมองไม่เห็นเลยเข้าใจว่าสบายอยู่ถ้ามีคนอื่นมาถามว่าสบายดีหรือก็ตอบเขาว่าสบายดีแท้จริงมันไม่สบายเนอร่างกายสังขารี่เรานั่งไปหน่อยก็เกลียที่นั่ง แต่คือมันไม่สบายนะปวดแข้งปวดขาอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้สบายแล้วบางคนจนกระทั่งไปไหนมาไหนก็พนว่าไม่สบายตัวไม่สบายกายโลกหลานเกิดมาก็ไม่สบาย <c oughs> ไม่มีทางแก้ไขก็เอามาให้หลง่อหลงตาเป่าหัวเป่าหางให้บ่ให้เจ็บบ่ให้คายไปได้ยังไงบ่มีทางทางก็รีบเร่เงภาวานาไม่ต้องห่วงใครห่วงสังขารร่างกายของเรามันจะไปตายก่อนร้อยปีมันไม่เลยร้อยปีไปได้ เราดูคนที่บ้านที่เมืองเราทุกคนที่เรารู้ว่าคนนั้นเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่มันก็แกชรลาให้เราเห็นอยู่ทุกคน น, นั้นแหละแต่ว่าถ้าใจเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆแล้วมันมองไม่เห็น มันมีแต่โลภจิตคือว่าจิตไม่อิ่มไม่พอจิตไม่อิ่มไม่พอนี่แล้ว่มันมีโยทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนโดมัดแดงแมงน้อยตัวเล็ดเดียวกินนิดเดียวก็เต็มท้องเต็มไส่มันก็บเดหลับบรรเดนอน วิ่งหาอยู่หากินอยู่ทุกเวลาเดินไปล่นมาก็ตัวมันเล็กน้อยมนุษย์ไปมามันไม่เห็นมันก็ไปเหยียบเข้ากับตายไปเหยียบตรงนี้ดนั้นอย่าไปลั่งรอให้รีบเร่งรีบเร่งเหมือนกับว่าเดินไวๆเดินเร็วๆ เมื่อมีภัยอันตรายติตตามมาเหมือนว่าเสือโคร่งมันกำลังไล่เราโยกเราต้องเรียบเร่งที่สุดถ้าวิ่งก็เดียววิ่งให้ไวให้เร็วที่สุดจนเสือโคร่งไล่ไม่ทันภาวนาพุทโธเขา้ามันถีเอาให้มันทันจิตใจไม่ให้มันวุ่นวายไปที่อื่น พนกระแสเข้ามาภายในจิตใจใมันตั้งมั่นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้จิตใจมันตั้งลงไปสงบลงไปเยือกเย็นสบายลงไปกิเลสโลเลในจิตใจเลิกทิ้งละทิ้ง มัวสงสัยโน่นสงสัยนี่ไม่ภาวนาพุทธโธไม่รวมจิตใจลงไปให้มันสงบเมื่อจิตไม่สงบจิตก็ไม่มีปัญญาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นได้เมื่อใดเวลาใดก็ชื่อว่ามีสติระลึกได้อยู่มีสมาธิจิตมันตั้งมั่นไม่วันไหว เมื่อมีสมาธิสังมันปัญญาก็เกิดขึ้นในนั้นเมื่อมีปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบโลในกองสังขารทั้งในอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอดีตอนาคตเมื่อมีปัญญายานเกิดขึ้นก็จะโลได้เข้าใจว่ามันเพราะจิตไม่โลนี่เองจิตไม่ภาวนาจิตไม่เลิกไม่ละ กิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันจึงเลยโขกมัดลัดลึงไว้ให้ติดอยู่ข้องอยู่ในโลกในวัฏสงสารให้มีความยินดีพอใจอยู่กับกิเลสกิเลสลาคะมันโขกมัดลัดลึงจิตใจไว้ไม่ให้ไปไหนเอาอารมณ์กิเลสมาโขกไว้มัดไว้ จนกระทั่งล่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่แก่เราไม่เจ็บไม่ไข้เราอยู่ดีสบายแต่นี้พอพบับเกิดปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาละอาวละวันเนี่ยเ อ, อออออาอาวุ่นวายที่สุดร้องให้เพื่อนมนุษย์ช่วย โรคบางอย่างมันก็ช่วยได้แต่ว่าโรคบางอย่างมันเกิดขึ้นลำพังคนเราช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันจะมีหมออยู่นั้นก็ช่วยไม่ทันบางคนพระบางอมคนบางคนเป็นนายหมอเวลาโรคเกิดขึ้นเอาไม่ทันเป็นหมอก็ไม่เอาไม่ทัน เป็นหมอกมโม่งหวังที่จะเยียวยาคนอื่นให้มันหายตัวเองก็จะได้สะุ้งสะางกับเขาบ้างมันไปอย่างนั้นเวลามันเกิดขึ้นในตัวเราเอาไม่ทันน่อยวิ่งไปโรงพยาบาลไปบางคนบามีรถนีลาก็หามเอา ถามไปถึงโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ว่าให้ว่าเวลามันเป็นเล็กน้อยก็ไม่มามันเป็นมากแล้วอย่างนี้มันแต่แก้หายหรืออากไปนั่นอีกฉะนั้นเราต้องภาวนาให้ดีการที่เรามาเย็ดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี้ อย่าไปตามมันภาวนาพุโทโธในใจอยู่ให้ใจิตใจเป็นพุท ธ, ธะอยู่อะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้เท่าทันอย่าได้วันไหวไปตามอารมณ์ภายนอกจงอยู่ที่ใจอยู่ภายในสงบกายอยู่สงบวาจาโ ย, ยสงบจิตอยู่โยในใจนั้นแหละสบาย ถ้าออกนอกใจออกไปตามเรื่องราวตามกิเลสไปไม่มีที่จะพ้นทุกข์ได้ีนจะเข้าไปหากองทุกข์เหมือนกับว่าไฟมันลกุกแล้วเราเดินเข้าไปหาไฟไฟก็ไหมเอาตายกิเลสราคะโทสามโมหะมันลุกอยู่ในใจของคนเหล่านั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไป อย่ามายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราคำมันมาจริงๆถึงจริงๆแล้วยึดไหว้ฟันไดมันก็ยึดไม่ได้แล้วบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนจะตายมาเรียกโลกเรียกหลานเรียกญยาติพี่น้องสามีภรรยาญาติกาวงสามันนั่งลอ้อมอยู่ ก็ไม่มีใครช่วยได้ช่วยให้ตายนั่นได้แต่ว่าช่วยให้หายนี่มันช่วยยากอยู่หน่อยทีนี้บางคนหมอบางคนสมัยนี้เรียก ว, ว่าถ้าเห็นมันกระวนกระวายแล้วก็ฉีดยาตายให้มันตายไปเสียเลย อย่างนั้นก็มีให้นั่นเย่ายไปใกล้หมอหลายพอดีล้วมันจะฉีดยาตายให้บางคนเวลาเกิดอุปเทวเหตุมามันแก้ไม่หายก็มาถามเอากับเจ้าเจ้าศรัทธาผู้นำคนป่วยคนไข้ไปว่าจะเอาใบาตายไหมมันถามอย่างนั้นเลย ถ้าจะเอาใบตายก็จะทําให้แน่ก่อนดูดวมันมันมีไปอย่างนั้นที่จะช่วยให้มันหายบ่เคยมีมันไปช่วยให้ตายไปหมออันนั้นอย่าไปใกล้มันหลวงพี่ภาวนานอยู่ทาพระปองดีกว่าไปหาหมอแล้ว ม, มันจะเอาแบบนั้นให้แล้วก็ตายลูกเดียวทําให้ตายมันง่าย ทำให้หายมันยากทำให้หายก็บภาวนาให้คิตใจมันเข้มข้นเข้มแข็งสามารถอาจหานเม่ให้คิตใจทอดแท่ย่อหย่อนทอถอยตายก็ให้ตายอยู่ในสมาธิภาวนาดีกว่าละลกโยนในตัวในใจของตัวเองนี่แหละเตือนเราท่านทั้งหลาย ไม่ให้ประมาตประม า, าทพลาดท้งไม่ภาวนาเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทุกเวลาดังแสดงมาก็ช่อมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการะสนี สัพพิติโยวิวัตถันตุสัพพะโลกโคนินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายยโกภวะอธาาิวาทานาสีริสเนจังวทธาปจายโนจตารโอธรรมาวัตนติอายุวันโนโครังพระลางวันที่สิเจ็ดเป็นวันอาสาฬหาบูชา อาสารหาบูชานี้ทางคณะสงฆ์ประเทศไทยเราลงมติว่าเมื่อพระพุท ธ, ธเจ้าของเราได้ตรัสสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเต็มภูมิแล้ว พระองค์าปารถที่จะมาโปรดสาวกทั้งหลายจึงแรงถึงปัญจวีรืฤาษีทั้งห้าโยเมืองพราณสาีก็กาว่าจก รัะสลูมาถึงวันเข้าพรรษาก็พอดีสองเดือนพระพุทธองค์ก็คงสเดเส็ดเดินทางมาถึงแล้วก็โปรดปัญจวัคคีแสดงปฐมเทศนาทรมาจากกับะวัตนสูตร พันจวักีทั้งห้าก็เลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะอัญญากนัญญะองอาวุโสได้สำเร็จเป็นพระโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาต่อมาที่เมืองพารานาสีนั่นแหละพระองค์ก็ แสดงพระธรรมเทศนาอีกกันหนึ่งให้เชื่อว่าแสดงอนัตตะลักขณาสุพันจวาคีฤศีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอาราหาันตาที่นาสุทุกทุกอง ปกลองก็เวลานั้นมีพระอระหันตาทินาศจบรมมาจัน์สาวกพระพุท ธ, ธเจ้าห้าแล้วก็หกกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ส่งภาษาวกทั้งหลายทั้งห้าองค์นั่นแหละให้ไปโปรดเวไนยสัตย์ทั้งหลายให้ไปองค์ละทิศระทาง ตามถนัดที่จะไปอันนี้เป็นธรรมเนียมพระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาตรัสรู้แล้วไม่ใช่เทียงแต่ว่าท่านจะเอาตนพ้นทุกข์แล้วก็พอไม่เอาจะต้องปลอดเวเนียสัตว์ทั้งหลาย จะเห็นได้ว่าในพุทธกิจห้าประการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทำมาตอนเช้าเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบินทบาทท่านพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนสเสด็จไปไหนก็ตามเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ในตัว เพราะว่าในองค์ของพระพุทธเจ้านั้นมีรัศมีหกประการข้างละวาละวารวมก็ละวาข้างทั้งหมดก็เป็นปริมนทนสองวาไม่ว่ากลางวันกลางคืนจะมีรัศมีหกประการอย่างนั้น ตกลองก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นสเสด็จไปไหนก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมจนกระทั่งตลอดไปจนถึงสัตว์สิงเดียรฐานก็พอยมีป็นบางข้างบางข่าวชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เกิดมาแล้วเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้มาเบียเดเบียนบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเว้นเสียแต่มนุษย์เกิดความประมาทมัวเมาขึ้นไม่มีความเคารพในองค์พระพุทธเจ้าก็มีอันเป็นไปได้รับพุกโทษไปเองอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้านี้ถ้ากล่าวให้ดีแล้วก็เรียกว่าให้ประโยชน์โดยแต่ว่าพระพุทธเจ้าอายุแปดสิบก็ดับขันเข้าโซนหรผ่านไปแค่พาอองค์ของท่าน เนพระองค์ยังมีเมตตากรุณามุถิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์จนถึงเทวดาอินทรพมคือพระองค์ได้วางอุทธาศาสนาไว้ประดิษฐานไว้ในโลกให้โยไ่ไปได้ห้าพันปี ที่เรานับพุทธศักราช 2,532 กี่นิอันนี้นับจากพระพุทธองค์เข้าโซนรอรผ่านมาได้ 2,532 กีนี้แล้วก่อนนับว่าเป็นเวลาอันยาวนานพอสมควร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นิกรทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดาอินพรมคือว่าห่างไกลาจากพระพุท ธ, ธเจ้ามาสองพันปีนั้นจิตใจก็มักจะท้อถอยว่ามักผลมิพานที่พระองค์ทรงตัดไว้ในธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น ก็คงจะไม่ให้ผลแก่พวกเราเท่าใดนักมันนานเป็นเวลายาวนานความจริงพระธรรมวินยัยคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าที่ ท, ท่านทรงตัดไว้ไม่มีการเจิดจางหนีจากโลกสมัยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรพระธรรมวินัยของพระองค์ ก็มีอำนาจปาฏิหาริย์อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอย่างนั้นอยู่แต่ใจคนเราผู้ใดทอถอยไม่ทำบุญให้ทานไม่รักษาศีลห้าศีลแปดไม่รักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดประมาทมัวเมาก็เป็นความผิดของเราผู้ประมาทตอาง แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงเมตตาเราทุกคนให้มีความสุขกายสบายใจตลอดไปแต่นั้นวันนี้ก็เรียกว่าใกล้วันอาสารหบูชาใกล้วันเข้าพรรษาเราท่านทั้งหลายได้มาสู่สถานที่ ถ้ำผาปล่องนี้เป็นสถานมงคลหรือว่าเขาลูกนี้ถ้ำเหล่านี้นับตั้งแต่ถ้ำหลวงเิงเชียงดาวมาเป็นถ้ำที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมาปฏิบัติบูชาสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ และก็เมน่าทำหลวงขึ้นไปหลวงปู่มันท่านก็กล่าวว่าสมัยที่เมพระปัจเจกพุท ธ, ธเจ้ามาโอบตัตบังเกิดในโลกท่านก็มาอยู่เ <c oughs> คยว่าพระปัจเจกพุท ธ, ธเจ้านั้นก็เป็นลองลองพระพุท ธ, ธเจ้าเข่อเหินเดินอากาศไปไหนมาไหนไม่ต้องเกี่ยวกับรถลาเครื่องดิน ท่านภาวนาแล้วก็เสด็จเหาะไปในอากาศถ้าสมัยนี้พระปเจ ก, กโพธิ์เมโยถ้าท่านมาโย่ทําเชียงดาวท่านก็ขึ้นไปอยู่โน้นยอดเขาที่สูงไปภาวนาอยู่อย่างนั้นตื่นเช้ามาถ้าสมัยนี้ก็ไปโปรดบินทบาทเชียงใหม่ก็ได้ ไปโปรดบินธาบาทจนถึงกรุงเทพมหานครก็ได้เพราะท่านชานไปได้แล้วพวกเราทั้งหลายถ้าไปเห็นพระปัจเจกพระพุท์เสด็จไปทางอากาศทรัพยากรกล้าขึ้นทำบุญทำทานยกมือไหว้ท่านและ อันนี้ก็เป็นนิ่งมงคลอันหนึ่งในเขาลูกนี้และเขาลูกนี้ก็มีถ้านับไม่ถ้วนด้วยเล็กๆในน้อยเก็นที่ภาวนาโ้ไดมาภาวนาในถ้ำในป่าย่อมมีผลมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะอะไรก็เพราะว่าในป่าในเขานั้น มีแต่ความสงบระงับความที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจี่แล ด, ดความโกรธโลภหลงนั้นย่อมมีน้อยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าผู้บวชแล้วจงถือลกขโมลล่มไม้เป็นที่อาศัยเป็นเป็นวัดเป็นว่า ลกขโมลเสนาสนังนิสายปพัจเจ ต, ตยาวัชีวังอุสาโหกรานิโยท่านว่าเมื่อบวชแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนกลับด้วยเสนาสนะที่โยอาศัยโยลกขโมลล้มไม้ได้ภาวนาดี แต่คนเราคิดไม่เห็นก็คิดไปอีกเรียมหนึง่งใครโยปลาจะได้ความสุขสบายอย่างไรเป็นมีแต่ลิ้นแต่ยงกัดแล้วเล่นยงก็นำเชื่อไขร ต, ต่างๆมาให้ด้วยคือมันมองไปคนละแง่แต่พระพุท ธ, ธเจ้าท่านไม่มองอย่างนั้น ท่านมองว่าอยู่ในป่าสบายกว่าอยู่ในบ้านในวัดว่าธรรมดาเพราะป่าลุกขมู ล, ล่มไม้นั้นไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ใดแต่ป่าคนป่าในเมืองที่มนุษย์มีมากนั้นให้ให้ผลทุกข์มาก อย่างสมัยนี้เราจะมองเห็นได้ง่ายๆว่าไปไหนมาไหนก็คอยระวังมีภัยอันตรายรอบด้านอย่างใกล้ๆเมื่อวันที่สิบสามหวงปู่มาจากกรุงเทพมหานครขับไม่ลูกสิบโซเฟอร์ขับรถมาจนจะถึงถ้าผาปล่องอยู่แล้ว มาถึงที่โพเขาที่จะมาอำเภอเชียงดาวไม่รู้ว่าโซเฟอร์เอารถไปสนกันได้ยังไงยังไม่ขำไม่มืดเข้าใจว่าจะตายหลายศพอยู่เพราะเวลานั้นตำรวจยังควบคุมอยู่เมื่อมาถึงตำรวจก็มา กระทิบให้โซเฟอร์หลวงปู่ว่าให้ค่อยคับไปอย่าไปเอาแรงมันมันจะตายไปอีกเป็นเป็นลำที่สามสองคันนั้นมันตายกันแล้วอันนี้ก็คือว่ามันมีภัยอันตรายรอบด้านการเกิดมาในโลก อันรูปร่างกายของคนเหล่านี้จะรักษาพยาบาลอย่างไรอย่างไรไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บไข้ใดป่วยก็ไม่เป็นไปได้ขั้นแก่สลาหรือว่ามีอุปเทวเหตุอันใดเกิดขึ้นจะห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้อีกจึงว่ามีภัยอันตรายรอบด้านแต่พระพุทธเจ้าของเหล่านี้ พระองค์ไม่ได้แก้ไขทางโลกปัญหาร่างกายไม่ได้สร้างโรงพยาบาลแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้ตด้แต่พระองค์สอนทำให้จิตใจพุทธบอริษัตรู้จักทางหลบดีคือว่าให้เอาจิตใจมาภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้ว จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะได้มีปัญญาปัญญามีความรู้ความฉลาดจะได้รู้หลบเป็นรู้หลบรูกปีกรู้เหลีกรูกกลลก้เว่นไม่ไปตามอำนาจกิเลสเมื่อปัญญายาณเกิดขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องตามธรรมนองของธรรมด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนา พุทธสาวกทั้งหลายฟังธรรมแล้วท่านก็หลบออกจากอารมณ์กิเลสสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจเหมือนอยู่ในธรรมในป่าได้ปัญญาแจ่มแจ้งละกิเลสความโกรธให้หมดไปได้ละกิเลสความรู้ความอยากได้ให้หมดไปได้ละกิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไป เท่านี้ก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อีกเมื่อจิตใจของศาศาศาพระสาวกเจ้าทั้งหลายพ้นทุกภายในกิเลตไปแล้วมันจะตายแ บ, บไหสก็ตายไปเถิดเป็นเรื่องของความตายแต่จิตใจของท่านไม่มาไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกเรียกว่า ดับขันเข้าโซนลือปานถึงนิพพานที่ท่านตัดไปว่านิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขเป็นสุขอย่างไรก็คือว่าเป็นสุขที่จิตไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจความโกรธความโกรธไม่มีอยู่ในใจ ความโลภความอยากได้ไม่มีอยู่ในใจความหลงหลงลืมเลืมไม่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าตั้งหลายจิตใจก็ค่องใสสะอาดมีความสุขในจิตใจนั่นแหละมันพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นหญิงเป็นชายทำการทำงานไม่มีเวลาจบทิ้น เพราะอำนาจของร่างกายสังขารของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีปากก็ต้องบริโภคอาหารมีตา ก, ก็ต้องดูมีหู ก, ก็ต้องฟังมีจมูกก็ดมกมลิ่นมีเล่นก็ลิ้มรสมีร่างกายก็รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมีดวงจิต ด, ดวงใจโยภายใน ก็ได้รักความกระทบ ก, กระเทินอยู่ตลอดเวลาถ้าภาวนาละกิเลสในจิตในใจหมดไปได้ก็มีความสุขเรียกว่าสบายกายสบายใจเพราะท่านไม่มายึดกายถือกายไม่ได้มายึดหน้าถือตามไม่ได้มายึดตัวถือจน ความทุกข์ที่สดมาถึงท่านท่านก็รู้เท่าทันว่านี่แหละสังขารทังหลายมันมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เราไม่ควรมาเกิดอีกถ้ามาเกิดอีกก็จะมาทุกข์อีกเป็นอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งต่อไปอีกท่านก็รีบเร่เงภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบทำสมาธิให้เกิดขึ้น เวิปัฒนาภาวนาคือกำหนดอนิจังทุกขังอนัตตาในโลกนี้แจมแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วจิตของท่านกลดพ้นจากสิเลตราคโทสะโมหะเมื่อลดพ้อนออกแล้วความเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายสังขารมันเป็นไปอีกรูปหนึ่ง เจตใ จ, จของท่านไม่มากับก่อหลอกลวงโกหกพกลมตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าสกจิตสกใจอันสกใจนี่แหละเป็นอุบายคําอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าไม่ว่าใครๆเกิดมาแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้านู้น เด็กๆดกขนาดอายุเจ็ดขวบภาวนาละกิเลสเป็นพระโซดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอาราหันต์ตาคนสมัยโนนั้นเรียกว่าคนมีจิตใจบุญบารามีมากฟังธรรมเข้าใจในธรรมปฏิบัติธรรมก็เห็นจริงเห็นแจ้งในหลักอณนิจจังทุกขังอนัตตา แต่คนเราสมัยนี้ก็มีหูมีตาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอย่างไดจึงไม่ค่อยพ้นทุกข์ให้นี่แต่หาทุกมาให้ตัวเองหาทุกขมาให้ตัวเองทุกวันทุกวันไม่ค่อยปลดเปลื้องทุกในคราวนี้ก็เรียกว่าใกล้ๆเข้าปรรษาก็มาาทําบุญสุนทานทำผ้ า, าปรองมาภาวนามาไหว้พระชวดมน มาฟังเทศฟังธรรมนี่แหละเป็นการปลดเรื่องความทุกข์ความหลงอันมีอยู่ในจิตใจของเราในหะ้มันเบาบางหมดสิ้นไปแต่ต้องอาศัยสติคือความระลึกได้อาศัยสมาธิคือจิตตั้งมั่นอาศัยปัญญาคือความเฉลียวฉลาด อาศัยยาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปในภพนี้ชาตินี้อย่างชาก็น้นวันที่เราจะจากโลกนี้ไปเรียกว่าวันมรณะกรรมฐานถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติ ด, ดีปฏิบัติทอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บางคนก็อีกหลายสิบปีจึงจะถึงซึ่งความตายอาจจะได้บุญกุศลได้สติปัญญาวิชาความโลกไปต่อสู้กับกิเลสมานสังขารมานเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเสียทีแหะนั้นเมื่อเรามาโส่สถานที่วีเวกแลก็ให้เล็ดนึกน้อม ภาวนาพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจเข้าพุโทโธพุธโทโธทุกลมหายใจออกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นสาระที่พึ่งภายในจิตใจจนให้ได้ความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ถอยหลังอันนี้เป็นอุบายธรรมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนา ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละจีเลสดความโกรธโลภหลงได้อย่างเด็กขาดนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยขั้งพุทธกาลนั้นท่าน สอนแล้วเอาไปคิดอ่านไม่ว่าจะเป็นครือหัดและญาติโยมก็าตามก็ได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานดูพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บวชท่านก็อยู่หอปราสาบราสมุนเทียนกรุงกระบินละพัดนั่นแหละท่านก็ทำบุญให้ทานภาวนา ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอานาคาจนถึงอรหันตานิพพานที่กรงกระบินละพัฒนนั่นแหละเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อตั้งใจได้แล้วก็จะได้ทาบุญกุศลคือภาวนาบุญภาวนานี่ใครทาใครได้ ใครไม่ทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นธรรมภายในธรรมภายในกับธรรมภายนอกมันต่างกันธรรมภายในนี้ต้องปฏิบัติภาวนาเอาด้วยจิตใจของตัวเองเมื่อมันโลเข้าใจแล้วก็จะมีความสุขจิตสุขใจอย่างสำคัญฉะนั้นเมื่อว่าเราทันทั้งหลาย ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเถิด